ราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพ ล, ลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติเดแก่ อธิบดีธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสาชาตาธิปฏิ ได้ แ, แก่ธิบดีธรรมที่กิเลสทําให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ติดตะสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทาให้เศ้ามองเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสาชาตาธิปฏิ ได้แก่ที่บดีธรรมที่กิเลสทําให้เศ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปฏิปัจจัยสิสองสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปฏิปัจัยมีสองอย่างคือ อารามนาธิปติและธาชาธิปติอารามนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสดแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่สั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระเสขาพิจารณาโคตรตระภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหาหชาตาธิปฏิได้แก่ธิบดีธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตัดสมุทฐานารูปโดยธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลส ทำให้สหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทาความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น ยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสังสมไปดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพ ล, ลิดเพลินจากสุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินโปพภะละหัตถิวัตถุยินดีเพลิดเพลินขันที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นเป็นต้นนั้น ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปฏิและสหชาธิปติอารมนาธิปฏิได้แก่ นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยอธิปฏิปัจจัยสหาชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 อธิบดีธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่อติตาสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปฏิปัจจัย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 โดยอนันตระปัจจัยแต่แก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทาให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่บุตานะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดก่อน กิด่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรตะูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอาวัชนาจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอนันตระปัจจัยสภาวัธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอนันตระปัจจัยแต่แก่อวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอนันตระปัจจัย ได้แก่โคตรตะูเป็นปัจจัยแก่มักโวทานเป็นปัจจัยแก่มักอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอนันตระป th ัจจัยได้แก่ขันธ์ที íll, ่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยมักเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอนันต ร, ปรัปัจจัยได้แก่ผลเป็นปัจจัยแก่บุทฐานะโดยอนันตรัปัจจัยสมนันตรัปัจจัยเป็นต้น14สสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวิธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยสมานันตระปัจจัยและเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปัจจตูปนิสัยและ ประตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะจึงฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ละอาศัยโทสะจึงฆ่าสัตว์และทำลายสงฆ์ราคะละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่าราคะละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยปานาติบาเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาโดยปนิสัยปัจจัยละ นิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสัยปัจจัยละสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปะกตูปนิสัยและปะกตูปนิสัย ได้แก่บุคคลอาศัยราคะจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาบอสด ร, รมฌานวิปัสสนารรมภินยาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นและอาศัยความปรารถนาจึงให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะและความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและสุขทางกายและทุกข์ทางกายโดยอุปนิสัยปัจจัย บุคคลฆ่าสัตว์ประสงค์จะลบปล้างกรรมชั่วนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโสถธรรมชาตให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทรอภัญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นและทำลายสงประสงค์จะลบปล้างกรรมชั่วนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโสถกรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิสัยปัจจัย สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิสัยปัจจัยมีอย่างเดียวคือประตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะจึงทํามักให้เกิดขึ้นเข้าผลสมาบัติอาศัยโทสะและความปรารถนาจึงทํามักให้เกิดขึ้นเข้าผลสมาบัตริราคะ ละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลสมาบัติโดยอุปนิสตยปัจจัยสิหสภาวธรรมที่กเกเรตไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกเกเรสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กเกเรตไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกเกเรตโดยอุปนิสตยปัจจัยมีสมอย่างคืออารามณูปนิสตยอนันตรูปนิสตยและปกตูปนิสตยะละ ประตูปณิสิยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัท ธ, ธาจึงให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลสุตาจาคะปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะจึงให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัท ธ, ธาและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาและสุขทางกายและทุกทางกายโดยอุปณิสิยาปัจจัย กรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิสติยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานและอภิอากินจัญญายาตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญาณาสัญญายาตนะและสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยปนิสติยปัจจัย มีสามอย่างคืออารามณูปนิสัยอานันตรูปนิสัยและปะกตูปนิสัยและปะกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธามีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลและเสนาสนะจึงฆ่าสัตว์และทำลายสงศรัทธาและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะและความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัย สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิสตยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสตยะและปะกตูปนิสตยและปะกตูปนิสตยะได้แก่บริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคและทุติยมรรคและตติยมรรคและจตุธรมรรคและ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 ละทุติยมรักเป็นปัจจัยแก่ตติยมรั ก, ก e ละตะติยมรั ก, กเป็นปัจจัยแก่จตุตมรักละมรักเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัตดโดยปนิตยปัจจั ย, ยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เ้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอุปนิตยปัจจัยมีสมอย่างคืออารามณูปนิตย อนันตรูปนิสสยและปะกตูปนิสสยะละปะกตูปนิสสยะได้แก่พระอริยอาศัยมักจึงทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามักของพระอริยเป็นปัจจัยแก่อัตถปฏิสัมพิธาละความเป็นผู้ฉลาดในฐานะได้มิใช่ฐานะดูปนิสยปัจจัย ผลสมาบัติเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายดูยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย17สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะ อารัมณนปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุดโดยสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะหาไทยวัตถุดโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบุคคลเห็นรูปโดยทิพจักขุฟังเสียงโดยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุบิญญาณ และโพธภายตนะเป็นป anyway ัจจ so the ัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักุวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยหัทยวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเรสไม่ทาให้ส้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเรสโดยปุเรชาตปัจจัย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 โทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีพเพลิดเพลินโสตะโภทพภะหทัยวัตถุเพราะปรารบความยินดีพเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นปราคาจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยปุเรชาตปัจจัย สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยปุเรชาตปัจจัยได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาช า, าตปัจจัย18สภาวธรรมที่กิเลส ทำให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยปัจฉาชาต่ปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาต่ปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 อนุโลมเป็นป <ithe> you with ัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโดยอาเสวนาปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอาเสวนาปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มักโวทานเป็นปัจจัยแก่มักโดยอาเสวนาปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่สภาวิธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยการมปัจจัยมีสองอย่างคือสหช า, าตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานารูปโดยการมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิบากและกัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้ามองเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกรรมปัจจัยแต่แก่เจตนาที่กิเลสทาให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์แต่ขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่กิเลสไม่ทําให้เศ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สามประยุติขันและจิตตาสมุทฐานารูปโดยการมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกะตาตารูปโดยการมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวัธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยการมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติแตขันโดยการมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นป Adams, tweeted, ัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกรรมมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยกรรมมปัจจัยได้แก่เจตนาที่กิเลสไม่ทาให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 และไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดร่วมกันเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากะปัจจัยจจยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่ง กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปโดยวิปากับปัจจัยละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองละในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทําให้เศร้หมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกตัตตารูปโดยวิปากับปัจจัยละขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองละ ขันเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยวิป awesome, ากปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยวิปากับปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองละ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 สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ <spirit> สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอาหารปัจจัยได้แก่ อาหารที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สมประยุติฐานและจิตตสมุทฐานารูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะและกวาลิการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอินทริยปัจจัยได้แก่อินทรียที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติแต่ขันและจิตตสมุทฐานารูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะและจักขุสีเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและกายินทรียเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัย รูปะชีวิตินสี่เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีสาวาระชานปัจจัยเป็นต้น24สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยชาณปัจจัย เป็นปัจจัยโดยมรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตะปัจจัยวิปยุตตะปัจจัย25สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลธทาให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานารูปโดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เศ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส โดยวิปยุตตาปัจจัยมีสมอย่างคือสหชาติปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ติตะสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยวิปยุตตาปัจจัย ขันเป็นปัจจัยแกย่หาไทยวัตถุและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยวิปยุตตาปัจจ да? ัยปุเรชาตะได้แก่จักขายัตนะเป็นปัจจัยแก่จคกรวิญญาณและกายายัตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยวิปยุตตาปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ ขันธ์ท hey, mm hmm. mm hmm. ี่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่กายนี้ท uh ี่เกิดก่อนโดยวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยวิปยุตตาปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมอง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 ได้แก่ขันที <blew up. S 1> э so ่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตาปัจจัยอธิปัจจัย26สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่กิเลสทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตาและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่กิเลสทำให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่จิตตสมปทานารูปโดยอธิปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เจ้าหมองเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่กิเลสทําให้เจ้าหมอง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 มี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทำให้สจมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยและในปฏิสนที่ขณะและ สำหรับเราอัญญริะตาพรมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจัจุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตตกายรูปโพธะพระหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบุคคลเห็นรูปโดยทิพยจักขุ ฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปลายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณและโพธปลายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวยิญญาณโดยอธิปัจจัยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่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 มีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคาจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นยินดีหทัยวัตถุและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่กิเลสทําให้เจ้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยทีิปัจจัยสภาวัธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะเตแก่หัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยยี่สิสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นป less, ัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัย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 และที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแกสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสีอย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตาได้แก่ขันที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแกจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที quet, ong, ่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและกวริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี be ้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ข ah ันธ์ที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสและรูปชีวิตินทร์สีเป็นปัจจัยแก่กตัตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส และที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาติสหชาตาได้แก่ขันหนึ่งที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและหาัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรม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 ได้หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจั ย, ยขันสองละสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เจ้ามองเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่กิเลสไม่ทําให้เจ้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวัธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เจ้ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปัจจัยมี4อย่างคือสัจาตะปัจจาชาต ะ, ชาชาตะอาหาระและอินทรียะ สหชาตาได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้าหมองเป็นอารมณ์ของกิเลสและมหาปูตุรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตาได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้ามองเป็นอารมณ์ของกิเลสและกวริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทําให้เจ้ามองเป็นอารมณ์ของกิเลส และรูปปฏีวิตินสีเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยอัตถิปัจจัยนัตถิปัจจัยวิกตรปัจจัยและวิกตรปัจจัย30สสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิกตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยอวิคตะตปัจจัย